ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องวิบากกรรมเท่านั้นเป็นของจริงโดยพระท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2532ณพุทธสถานศรีสะอศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นาบัดนี้ พระพุทธเจ้าท่านทำกุศลท่านหยุดอ ก, กุศลเมื่อท่านทำกุศลท่านหยุดอ ก, กุศลขนาดหยุดอ ก, กุศลมากกว่ามากเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญชีวิตเพื่อทําดีตั้งแต่ท่านตรัสรู้มาจกนกระทั่งเป็นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ไม่รู้กี่กัปพระพุทธเจ้าเนี่ย อ, อย่างน้อยก็ บ, บําเพ็ญถึง20อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าบาเพ็ญสายปัญญาปัญญาธิกะที่จะได้ บ, บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาถึง20สิบ อสงไข่แสนมหากับนะพระพุทธเจ้าอสงไข่คูณแสนนะมือนล้านล้านเนี่ยคูณคูณกันไปอสงไข่แสนมหากรัพมันจะกลับธรรมดานะมหานะไม่ใช่กลับเล็กนะมหาในกลับใหญ่ไม่ใช่กับสั้นๆแ ค, แค่แค่วัด ต, ตเัเล็กๆสั้นๆไม่ใช่มหากัพ แค่บําเพ็ญโพธิสัตว์ยังใช้เวลาถึงยี่สิบอสองไขยแสนมหากัพนี่สายปัญญาทิกะน่านะยังสั้นนะา ส, าสายศรัทธาแล้วก็ศรัทธาทิกะนี่สี่สิบอสองไขยแสนมหากัพสองเท่าตัวสายศรัทธาสายวิริยาทิกะสายที่เอาแต่ความเพียนไปเรียกอันนี้ก็ดีเอาทีา่นี่ไปเอาไม่เคยข่าวถามเอานี่ใหม่ไปแล้วขยันนะเพียนจังเลยแต่ศรัทธาก่อน้อย ปัญญาก็ไม่ค่อยดีพเพี้ยนอยู่นั่นแปดสิบอสงไขยแสนมหากับปดสิบอสงไขยแสนมหากับก็จะได้เป็นพระเจพระพุทธเจ้าแม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช้เวลาบำเพ็ญเมื่อรู้แล้วคนเราก็ยังต้องตั้งใจแม้แต่ขนาดคุณยังพยายามตั้งใจจะทํากุศลจะไม่จะลดอกุศลอยู่เรื่อย เมื่อเป็นผู้ที่มีพลังใจดีสูงเป็นพระอริยะเป็นพระโพธิสัตว์สูงขึ้นมาย่อมมีอินทรพะละแก่กล้าที่จะไม่ทําชั่วได้มากกว่าที่จะทําชั่วใช่มหมย่อมทําดีได้มากกว่าที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีแน่นอ น, นบางเพนไปแต่ก็ไม่รู้กี่อสงไขยคิดดูซิเนะี่ยแต่ทำแต่ดีดีดีก็สงสยัยตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วอคุศลวิบากยังตามมาทันเลยยังตามมาเอาด้วย ยังตามมาไล่มาเล่นงานด้วยนะดังจะอ่านให้ฟังต่อไปนี้นะลองฟังดูนะพระพุทธเจ้าท่านามีอกุศลวิบากอะไรบ้างนะนี่เป็นเรื่องที่บันทึกมาในพระไตรปิฎกนะนะแล้วก็เราก็ฟังแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่ามันมีจริงในเรื่องที่เล่ามานะบุพกรรมของพระพุทธเจ้านะดูกระปริศุททั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเราเราเห็นภิกษุพูดถืออยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งแล้วได้เขาได้ถวายผ้าเก่าล้วปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกพระรูปเจ้าเห็นภิกษุรูปนั้นแหมนั่งอยู่ในป่าเคร่งก็เลยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยเอาผ้าผ้าเก่าไปถวายเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในกาลนั้นผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าย่อมอํานวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้าแค่ถวายผ้าเก่าอํานวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คือวิบากกรรมถ้ายิงถวายผ้าใหม่น่ะแต่เป็นพระพุทธเจ้าองอองเลยนในการก่อนเราเป็นนายโคบาน นายโคบานี่คือคนเลี้ยงงัวตอนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกําลังดื่มน้ําขุนจึงห้ามมันด้วยผลแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้คือภพที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสู่ท่าจะจะเป็นเจ้าชายศรีสัทธาหรือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในภพหลังสุดนี้แม้เราจะกระหายน้ําก็ไม่ได้ดื่มน้ําตามความปรารถนานะ เธออยากดื่มน้ําแล้วก็ไม่ได้น้ําดื่มตามปรารถนาเป็นวิบากมาเนี่เป็นวิบากเล็กๆน้อยๆที่มันรับทําอะไรไม่มากไม่ไม่แต่มีผลส่งได้สูงหรือตามมาแม้แต่วาระที่ได้ตัดสินเป็นพุทธเจ้าแล้วมันยังมีกระเซ็นกรสายังมีหนักมีเบาอะไรตามมาเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น เ, เรื่องต่อไปในการก่อนเราเป็นนักเลงนะตอนที่ท่านเป็นนักเลงชื่อปุณาลินะ ได้กล่าวตูพระปัจเจกกับพุทธเจ้าชื่อวสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายตอบไปกล่าวตูพระพุทธเจ้าพระปัจเจกนพระปจเจกกับพุทธเจ้านางวสุรภีด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานา น, นานเนี่ยอย่าไป น, นับกันเลย500รชาตินน้อยไปมันยังไม่นานเท่าไรตหรอชาติ500รชาตินิธรรมดานะการเกิดมารับใช้กรรมนี่ มันมันมันเรื่องเล็กน้อยได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีเป็นอันมากหลายพันปีเป็นอันมากนะหมายความว่าหลายพันปีนี่คูณหลายพันปีหลายรอบด้วยผลแห่งกรรมอันเหลือนั้นในพภพบหลังสุดนี้เราจึงได้คำกล่าวตูเนี่ยเพราะเศษที่ได้ไปรับกรรมตกนรกมาหลายพันปีเป็นอันมากแล้วนะ ยังมีเศษหลงเหลือหรือได้พลกรรมอันเหลือนั้นในพบหลังสุดนี้เราจึงได้คํากล่าวตูเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาในสํานวนของเขาว่างมาเขาว่ามาเกิดเป็นพุทธเจ้าแล้วนางสุนทริกายังมาทีได้กล่าวตูท่านอยู่จะมากล่าวตูในเรื่องไม่ไม่เป็นจริงในเรื่องเร็วๆร้รรรายๆอะไรเพราะถ้าไปกล่าวตูพระปัิเกตกับพระพุทธเจ้าแท้ๆเท่านั้นเอง นะยังมีวิบากตามมาตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไรทยอยยวนไปตกนรกตั้งหลายพันปีอีกตั้งนานหลายรอบแล้วยังมีเศษมาโดนนางุนธริกาเนี่ยมากล่าวตูอีกอาตมายังไม่ได้บรรลุเป็นพระเจ้านะไอที่โดนเขากราบทูอยู่เนี่ย เ, เรื่องจิว๋วไม่ใช่บิ๊กจิ๋วนะเรื่องจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วจริงๆไม่ใช่จิว๋วบิก๊ก ต่อไปเพราะการกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะนี่มีอีกครั้งหนึ่งอนะี่บางต่างๆเนี่ท่านเล่าให้ฟังเยอะนะเพราะการกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงําอันตรายทั้งปวงนะเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกสินกส้นการเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหมื่นปี ได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้การกล่าวตู่เป็นอันมากนะขนาดที่ลงนรกไปตั้งหมื่นปีแล้วเนะี่ยขึ้นมาแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วนะยังมาได้รับการกล่าวตู่อีกเป็นอันมากโดยผลกรรมที่เหลือนั้นนอกจากจะได้รับการกล่าวตู่เป็นอันมากแล้วยังมีพลกรรมที่เหลืออีกมานะตกทอดมาจนถึงในภพที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในภพที่ ตัดสรู้เป็นขสมนโคดมนางจินจามานวิกามากระหมู่ชนได้กล่าวตู่เราด้วยคําอันไม่เป็นจริงนี่มัดหนักในอันนี้นางจินจามานวิกาเมื่อกี้ก็สวดอยู่แล้วนี่เอาไม้ใส่ท้องเข้ามาทําเป็นท้องโตน่าเหมือนจะไปเล่นนังจีนเลยเนาะนังจีนนี่พอเขาประเดี๋ยวเขาทองก็เอาอะไรใส่ท้องเต้นเราเราหวานะเป็นผัวฉันยัางงงายังนี้เต็นไปเต็นมามันไม้หลุดเอง เขาเลยจับได้วันหลอกพนะระพุทธเจ้าไม่วาอะไรนะแต่ตามเรื่องแล้วนะใครก็คงได้เคยอ่านมาบ้างสําหรับคนที่เคยอ่านมานะท่านไม่วาอะไรท่านบอกเออมีเธอน้องหญิงมีเธอกับเราสองคนเท่านั้นานลยนะรู้กันว่าจริงไม่จริงนะคนก็ยิ่งงงใหญ่ที่บอกก็ใช่สิก็คุณสองคนหรือใครก็จะไปรู้กับคุณลนะ่ะทํากันทองแล้วอะ่ะ <laughs> ใครจะไปรู้กับคุณเลยนะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฟังแล้วมันไปได้สองแงนะ่แง่หนึ่งว่าจริง ว่าถูกตูนี่มันไม่ใช่ตูแล้วมันเรื่องจริงแล้วเนี่ยสองคนรู้กันอีกแง่หนึ่งว่าเออมันไม่จริงหรอกนะสองคนมันก็ต้องรู้กันสองคนนะคนอื่นจะมารู้ร่วมจะอยู่มันได้ยากจะมาเออเอาไปเอามามันก็ป่งมาเองอย่างนี้นะเป็นเรื่องแต่แค่กล่าวตูนี่ไม่ใช่พระปัดเจกนะนี่กล่าวตูพระเทระนามวันันทะเท่านั้นนะเอาอีกเรื่องต่อไปเมื่อก่อน เราเป็นพรามชื่อสุตวาอันชนทั้งหลายส ก, การบูชาสอนมน์ให้กับมนุษย์ห0คนในป่าใหญ่ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวได้อภิญญาณหมีฤทธิ์มากมาในสำนักของเราเราจึงกล่าวตูฤาษีผู้ไม่ประทุษร้ายไปกล่าวตูฤาษีเขาอีกนะ ขนาดแค่ฤาษีเนะี่ยังไม่ได้เป็นผู้เข่าทางอะไรเท่าไรแล้วนะผู้ไม่ประทุษร้ายแต่เขาก็ไม่ประทุษร้ายใครแหละโดยได้บอกกับพวกศิษย์ของเราว่าฤาษีพวกนี้เนี่ยมักบริโภคกรมนะไปซัดอย่างนี้เระวังถ้าใครปากเปราะ <c oughs> อาตมาก็เคยพูดนะแต่ว่าอาตมาไม่ได้มีอกุศลเจตนาในจิตจริงๆอันนี้ดูยากนะว่าเรากล่าวได้หรือไม่ได้ว่าเขาจะมีอกุศลเจตนาหรือไม่เนี่ย ต้องอ่านระวังใจตัวเองจริงนะอ่านวาเอเราพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะต้องตรวจสอบก่อนอ่านตรวจใจก่อนวเอเราจะพูดอันนี้ไปในปติเตียนผู้อื่นไปเทวว่ากล่าวตู่คนอื่นเนี่ยเราว่าด้วยอกุศลจิตหรือกิเลตันหาผสมการพูดนั้นออกไปหรือไม่ถ้ามีกิเลตันหาผสมการพูดนั้นออกไปย่อมเป็นอกุศลวิบากแน่นอนตามสัจจะ แต่ถ้าพูดออกไปในจะด่าใครว่าใครที่จะติดเตียนใครแต่ไม่ได้มีอกุศลจิตไม่ได้มีกิเลสตัณหาผสมหรอกนอกจากไม่มีกิเลสตัณหาแล้วย่อมมีกุศลวิบากก็ย่อมมีกุศลเจตนาด้วยมีจิตปรารถนาดีให้เขาให้ใ ห, ให้ช่วยให้เขารู้ตัวหรือช่วยให้เขาเป็นวิธีการน่ยจะบริพาศบริพาศแปลว่าด่าจะด่าจะดุจะแรงอะไรก็ได้ซึ่งประมาณ ว่าเออถ้าขนาดนี้เขารับได้ด่าขนาดนี้ดูขนาดนี้ทําแรงขนาดนี้ทำเบาขนาดนี้พูดอย่างไรก็แล้วแต่ศิลปะวิทยานะว่ามันจะอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ความจริงของความจริงไม่ใช่อยู่ที่แก้ตัวนะคุณเองคุณพูดไปแล้วเนี่ยว่าเขาไปในด่าเขาไปแล้วปฏิเทียนเขาไปตู่เขาไปโดยมีกิเลสผสมแล้วคุณก็บอกคนอื่นฉันไม่มีกิเลสหรอกฉันด่าคุณหมายดีนะเจตนาดีนะฉันไม่ได้ด่าคุณในกิเลสนะสองบาป ได้สองบาปคือบาปหนึ่งเนะ่มันมีกิเลสจริงรู้หรือไม่รู้ก็ตามใช่ั้ยรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันมีกิเลสจริงนะบาหนึ่งบาปสองเมื่อรู้อยู่แล้วโกหกเขาซอดลงไปเลยเซ็ตอีกเป็นสองบาปก็มารู้อยู่แล้วว่าเรามีกิเลสเราไปซัดเขาไอ้นี่แก่แค้นมาหน่อยเถอะใสเลยสะใจไม่ละเสร็จแล้วเราก็ได้ เขามาทักเขามาว่าเขาต่อว่าเราเราแก้ตัวเป็นไฟเลยแก้ตัวว่าเปล่านะฉันไม่ได้ด่าคุณด้วยเจตนาร้ายหรอกฉันจัดจัเจตนา ด, ฉนนนาดีฉันไม่ได้มีกิโกิเลสอะไรว่าคุณรักสองบาปหาไปเลยหาไปเลยสองบาประวังนะสัจจะมันคือสัจจะนะระวังนะเอาเราขยายความแล้วก็ต่อเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประทุษร้ายโดยได้บอกกับพวกศิษย์ของเราว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภค ก, กาม แม้เมื่อเราบอกเท่านั้นพวกมานกก็เชื่อฟังครั้งนั้นมานกทั้งปวงเที่ยวไปในเ ท, ที่ยวไปในพิกษาในสกุลอันนี้ภาษาของตำนวงเขาบาลีคือไปไปเที่ยวไปหาอาหารในหมู่ชนมใชหมูค่คนในหมู่บ้านน้ามานกพวกนั้นเที่ยวไปในพิกษาในสกุลสกุลคือไปหาอาหารไป บินทบาทก็ได้นะถ้าเขาใช้วิธีบินทบาทก็คือไปขออาหารจากชาวบ้านพากันบอกแกม่มามหาชนว่าพอไปบิณทบาทหรือไปหาอาหารก็ไปเทศได้บอกพวกคนทั้งหลายด้วยอีกว่าฤๅษีพวกผู้นี้มักบริโภคกามไปเทศประกาศคนพนธนาเขาพนธนาฤๅษีเนี่ยคือพอไปพูดไปบอกแล้วลูกศิษย์ของฤๅษีเชื่อฟังความหมายในเรื่องเนี้ลูกศิษย์ฤๅษีเชื่อฟังเข้ามาอยู่เป็นพวกกับ พระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพราม์เป็นพราม์คงแย่งลูกศิษย์เหมือนกันนะนะหาบริวารก็ได้ลูกศิกษย์ของดุษีมาลูกศิษย์ก็ไปด้วยกันก็ปอบพราม์สุตวานิชันเป็นพรามชื่อสุตวาก็พาลูกศิษย์ก็ไปหาภิกษาหารห า, หาอาหารกับประชาชนในหมู่บ้านก็ไปโฆษณาต่อหมู่บ้านบอกดุกษีนั่นนะเนี่ยพอลูกศิษย์ก็มาโฆษณาด่าอาจารย์เก่าลูกศิษยพวกนี้นะบริโภคกรรมด้วยวิบาหแห่งกรรมนั้น ภิกษุห้าร้อยเหล่านั้นได้คํากล่าวตูทั้งหมดอภิกษุห้าร้อยที่อยู่กระดษอสี่าวก็ได้คํากล่าวตูทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกานางสุนทริกานั่นเองเป็นคนกล่าวตูภิกษุห้าร้อยนั้นกล่าวตูหาเรื่องคนนี้ตูว่าอย่างนั้นคนนี้ตูโอ้โหเก่งนะฮะตูคนทั้งห้าร้อยเนี่ยตูเรื่องอะไรมัง่งนะโอ้มันเป็นไปได้นะเคามีงานเพื่อกล่าวตูคนนะเนาะนางสุนทริกาเนี่ยนี่ ในการก่อนเอาดีเครื่องเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเรื่องนี้อาจมาพูดบ่อยยกตัวอย่างบ่อยเพราะเป็นเรื่องที่ชัดเป็นเรื่องที่หนักหน่อยในการก่อนเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์แก่งอย่างเงินอย่างทรัพย์กันว่างั้นเถอะพูดกันง่ายๆภาษาธรรมดาในภาษาบาลีเขาภาษาจำนวนแปลมาจากบาลีเขาอย่างเงี้ยเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์ จับใส่ลงในซอกเขาและบททับด้วยหิ น, นจับยัดลงในซอกเขาแล้วเอาหินทุ่มเลยบททับด้วยหินด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือด น, นี่คือวิบากที่ต้องโดนพระเทวทัตกลิ้งหินมาทับพระบาทห่อเลือดก็เพราะว่าในชาติบางหนึ่งที่ข่าน้องชายต่างมารดาน้องชายคนละแม่ โดยเอาเข้าไปอัดในซอกเขาหหินทุ่มาตายในการก่อนเน่อีกเรื่องหนึ่งเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วใส่ไฟเผาดักไว้ทั่วหนทางาแกลงสิี <laughs> เอาไฟเป็นเด็ดเงี้ยนซนนี่เนะเอาไฟเป็นดักแวล้ทั่วคนทางไหนก็ดักเอาไฟก่อกองรอบมาแหงพระปัจเจกับพระเจ้าให้ลําบากนะนะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนะด้วยผลเหลือแห่งกรรมนั้นนะยังไม่หมดนะมีผลเหลืออีกขนาดอยู่ไฟไหม้อยู่ในรกมันยังไม่พอด้วยผลเหลือแห่งกรรมนั้นบัตรนี้ ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทั้งสิ้นอีกเพราะกรรมยังไม่พินาศไปนายวิปปางที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังโดนไฟไหมห้หนังหนังที่เท้าของท่านอีกนะเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดกันนักแต่ว่าท่านยังโดนเคยโดนไฟไหม้ที่เท้าทั้งบางนั่นเถอะในครั้งหนึ่งในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้ใสช้างให้จับ มัดพระปัเจกกับพระพุทธเจ้าหน่ยจะเอากี่ช้างเขไปจับพระพุทธเจ้าพระปัเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งผู้อุดมมุนีนะผู้อุดมมุนีแม้กาลังเที่ยวบินธบาตเราย่งขยายความอีกพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้านี่ผู้อุดมมุนีก็เป็นความขยายเป็นคาขยายอุดมมุนีเป็นเป็นพระเป็นผู้ประพฤติธรรมมุนีผู้ประพฤติธรรมอันอันสูงอยู่พอสมควรอุดมแม้กําลังเที่ยวบินธบารในขณะที่กําลังบินธบารอยู่โดวยวิบากแห่งกรรมนั่น ช้างนาราคิรีอันดุรา land land land า so ้ายวิ่งแล่นเข้าไปในคอกเขาเบื้องหน้าผู้ประเสริฐนี่แปลเป็นจำนวนนี่คือเขาเกรงใจพระพุทธเจ้านี่เขาแปลเขาเขาเขาเซตชั้นจนวนนช้างนาราคิรีอันดุร้ายวิ่งแล่นเข้าไปในคอกเขาเบื้องหน้าผู้ประเสริฐก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะหมายเขาว่าช้างนาราคิรีมันวิ่งเข้ามาหมายที่จะเข้ามาที่หมายที่จะพิฆาตพระพุทธเจ้านั่นเองตามตามประวัติเราก็รู้แล้วนะ นี่จำนวน ก, ก็แปลมาจากบาลีแล้วก็ดูแล้วก็ฟังยังยากอยู่ส่วนง่ายก็คือประวัตินั่นแหละประวัติช้างน า, ารากิกีที่พระเทวทัตเอามาหมอมเหล่าขณะตกมันด้วยนะแล้วก็เอาเล่าให้กินแถมเข้าไปอีกนะแหมมันคงจะน่าดูแล้วนะไอ้ตกมันมันก็ร้ายแรงอยู่แล้วยังดอดเล่าเข้าไปอีกไม่รู้เรื่องเลยเอาเล่ากรอกเข้าไปอีกมุ่งมาทำลายพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าก็ใช้พระเมตตานะ นี่ก็เป็นวิบากตั้ง แ, แต่ตอนที่เป็นนายควานช้างแล้วไปเชิด็กขี่ช้างนี่ไปสายชาไปจับจับพระประเจ ก, กับพุท ธ, ธะนะมัดในการก่อนเราเป็นนายทหารราบนะเป็นแม่ทัพเนี่ยคนะ่าบุรุษเป็นอันมากด้วยหอกด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดพระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนู ผู้ฆ่าคนตายมากเพื่อให้ฆ่าเรานะตอนนั้นในไปผลแต่ก่อนเคยเป็นนายทหารดาบจะได้คาใครๆมาม า, ๆมากๆนะนะที่ได้เป็นแม่ทัพจะไปฆ่าเขาด้วยหอกตอนนี้มาโดนนายกมังธนูนะพระเทวทัตใช้นายกมังธนูมาดักยิงนะมามาดักยิงแต่ก็ไม่ไม่ถูกไม่ตายนะแต่ก็โดนนะวาดเสียวไหมล่ะนะขณะพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นเราของตายแล้ว ไม่มีฤทธิอ์อำนาจของกุศลกรรมช่วยไว้หรอกนะนะนะถ้าเป็นราวก็คงไปในการก่อนเราเป็นเด็กคือเป็นลูกของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัตคามเห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความสมนะัดฟังดีๆนะนิดเดียวนะนะเป็นเด็ก ไปเห็นคนเขาคนทั้งหลายเนี่ยคงจะเป็นชาวประมงฆ่าปลากันอยู่นะเห็นเขาฆ่าปลาแล้วเกิดดีใจโอ้เห็นเขาฆ่าปาลาสนุกเลยดีใจนอะด้วยวิบากแห่งรรมนั้นความทุกข์ที่ศีรษะคือปวดหัวความทุกข์ที่ศีรษะได้มีแก่เราแลร่แ ก, แกได้มีแล้วแก่เรา ในเมื่อเจ้าสาักยะทั้งหลายถูกเบียดเบียนโดยพระเจ้าวิตตุกะฆ่าแล้วหมายความว่าก็เกิดปวดหัวเมื่อเห็นเจ้าสาักยะนี่ถูกเบียดเบียนโดยพระวิตตุกะฆนะ่าบางอะไรตะบงังอะไรต่างๆเนี่ยพวกหมู่เจ้าศักกยะทั้งหลายถูกเบียดเบีย น, ยนถูกทําลายถูกถูกรบราคาฟันมันมีสงครามการระวังเจ้าศักกย ะ, กะพวก เอวิตตุกะนี่พระเจ้าวิตตุกะไม่เคยมีภูทพะไม่ใช่เด้อเนาะฆ่าล้างโคดนี่ภูทพะนี่น่ะวิตตุกะนี่ไม่เคยได้ยินนะวิภูทภะนั่นอะนะนะซึ่งเป็นลูกของนางนางคนใช้ด้วยใช่ไหม่ะเป็นลูกของนางทาสีด้วยอ่ะถูกปลอมตัวส่งมานั่นนะอ่าเสร็จแล้วก็ฆ่าล้านโคดเลยนะอาคาตมาก แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นเหตุการณ์นี้ทรงพระปวดหัวในแม้แค่ว่าท่านปวดหัวเนี่ยมันถึงธรรมดาท่านควรจะแข็งแรงทัยมาทีนี้ได้รับวิบากกันนี่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีการกระเทือนปวดหัวได้ปวดหัวเมื่อเห็นเจ้าสักยะทั้งหลายถูกเบียดเบียนโดยพระเจ้ามีพุพธะเนี่ยฆ่าแล้วคือฆ่าคนของเจ้าสักยะทั้งหลาย แต่ท่านก็ตามหาวิบากของท่านได้ว่าอ๋อเป็นวิบากเพราะท่านไปเท่เด็กแต่ก่อนโน้นเป็นวิบากเก่าจึงทําให้ถึงขนาดจะต้องกระเทือนถึงว่ามันความอ่อนแอรหรือว่าเป็นสภาพที่มันไม่สมบูรณ์นี่ตรงที่ว่า อ, อ๋อนี่ไปทําบาปทํากรรมไว้แต่ตาปางโน้นปางที่เป็นเด็กแล้วก็ไปเห็นเขาฆ่าปลาเขดีใจระวังนะไปเห็นเขาฆ่าปลาเท่านั้นดีใจแค่นั้นนะเป็นวิบากเป็นอกตศลวิบากไปดีใจได้เลยคนฆ่าคนฆ่าสัตว์ ไปส่งเสริมเพราะงั้นพวกที่แหม่ไปดูเขาอใช้ไก่ตีกันมันดีแล้วมันเจ็บจนตายนะไปดีใจที่มันจนกระทั่งมันฆ่ากันตายเลยนะไก่มันตีกันตายปลามันกัดกันตายงวมันขวิดกันตายแหม่พวกเม็กซิโกที่มันขายกระทิงกันนะโอ้พวกนี้คงลงในโรกกันหน้าดูเลยนะเนี่ยไม่ไม่จะเป็นโรคปวดหัวหรอกเป็นโรคหัวบวมเลยนะมันคงจะแหม่น่าจะเป็นอัมพีบากที่น่าดูเลยนะเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงนะ คุณก็คงเชื่อพุทธเจ้าทำไมกระโกรลงนะเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงท่านเอามาเล่าบางเรื่องบางเรื่องดูเรื่องมันเหมือนเล็กน้อยที่ท่านเอาเรื่องเล็กน้อยมาเล่าให้ฟังในเรื่องหยาบหยาไม่ต้องเล่าใช่ไหมเรื่องหยาบๆมันผลวิบากมันต้องชัดอยู่แล้วไปทำหยาบหยาบเนะไป่าไปแกงไปทรมานคนไปทํำนนทํานี่ที่เป็นบาปหยาบกรรมบาปหยาบหยาบกรรมหยาบหยาไม่ต้องห่วงนี่มันจะต้องมีวิบากที่ร้ายแรงกว่านั้นนี่ขนาดวิบากเล็กน้อยไม่แค่ไปดีใจที่ก็เห็นเห็นก็่าบปลาก็ ดีจริงแค่นี้นะฮะแค่นี้ยังเป็นความอ่อนแอของชีวิตได้ถึงขนาดนี้นมีวิบากถึงขนาดนี้เพราะอะไรที่จะต้องมาขาหักขาเปถูกกับระเบิดบังดุงตามสบายใจได้มาไปทําชั่วม า, มากๆกันนั้นแท้ไปทําวิบากอะไรมาเป็นอกุศลวิบากกันนั้นแท้มันไม่มมมมต้องไปเสียใจตั้งต้นไหมสร้างกรรมดีไปจําได้จําไว้นนี่พบกันแล้วเนี่ได้บอกแล้วนะเราได้บอกเธอแล้ว นะถ้าไม่เชื่อฟังช่วยไม่ไดนะ้ได้บอกแล้วนะนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้นะใครทำก็ของใครนะอทีนี้ต่อไปอเรื่องต่อไปบ้างนะเราได้บริพารราษราวกทั้งหลายในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธสนะตอนนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าชื่อพุทธสัน า, นามว่าพุทธสมีราษาวกเยอะแยนะพระพุทธเจ้าอง องนี้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะในสมัยทีวีพระพุทธจักผุดสระท่านก็เทียได้เป็นดาพระไปบอบริพาศพระสาวกว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวกินแต่ข้าวแดงแต่อย่ากินข้าวสาลีเลยนะไปว่าไปาศพระสาวกทั้งหลายกินแต่ข้าวแดงระวังนะพระคกินข้ากล้องทวงนะระวังไปบริพาศพระสาวกแต่ยังไม่มีภาษาวกของพรุทธมีก็เหมือนัภาษากถอดถอดมาไม่ใช่ภาษาวกกุ่นแรกนะ ท่านนไปว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าผุทสักในปางนั้นใช่ไหมไปว่าเล้วว่าท่านจงกินกิ น, กนเคี้ยวกินแต่ข้าวแดงอย่า ก, กินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราอันพราหมณ์นิมนต์แล้วอยู่ในเมืองเวรัญชราบริโภคข้าวแดงตลอดสเดือนสมัยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นที่ท่านอยู่เ ว, เวรัญชาลาที่พรามเขานิมนต์ท่านไปแต่ตอนที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นเนี่ยทุพิกขภยัยอดอยาก อยากหมากแพงเลยเล่นข่าวแดงตลอดสามเดือนเคียวข้าวแดงมีในประวัติเนี่ยกลัวด้วยกับน้ำในน้าผักกาดดองน้ำสมกินข้าวแห้งตากกับน้ํากับผักกาดดองอ่า น, นกาละนั้นเรื่องต่อไปเมื่อ น, นักเมื่อ น, นักมวยกําลังชกกันนี่นทันสมัยมากนายกาลนั้นเมื่อ น, นักมวยกําลังชกกัน เราได้ห้ามบุตรนักมวยปล้ำไปห้ามบุตรไปห้ามบุตรเขาทําไมเมื่อนักมวยกําลังชกกันฮเน อ, อะอะไรเป็นกรรมการเราได้ห้ามบุตรนักมวยปล้ำด้วยว่าวิบากแห่งกรรมนั้นความทุกข์ที่หลังคือปวดหลังได้มีแก่เราแล้ ว, อ, ว, อ, วอ่าอ่าเขาเป็นกรรมการมวยนะ ไปเป็นไม่ส่งเสริมเขามวยชกกันก็เลยไปเป็นกรรมการมวยเอาเอาเองเอาเข้าไปทัานเขไป <laughs> เป็นกรรมการมวยนะแค่นั้นแหละเลยมีวิบากทําให้ท่านปวดหลังนะท่านปวดหลังเป็นนิบาศและคนที่ไม่ใช่ว่าไปเป็นกรรมการห้ามมวยละเชียเลยจัดเลยนะเป็นอโปรโมเตอร์ <laughs> เป็นโปรโมเตอร์หาเงินมันเลยอะไรเงี้ยแน่นอนที่นี้ไม่ใช่ปวดหลังแล้วปวดหมดทั้งตัวนะ เมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ทายยาให้เศรษฐีบุตรตายโดวยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันทิกาพาดจึงมีแก่เราโรคแตเพราะว่าท่านไปทำเป็นหมอตะปางหนึ่งนี่นะท่านชีวิตปางหนึ่งท่านเป็นหมอรักษาโรคไปทายยาให้เศรษฐีบุตรก็ผิดนะถึงเกิดตายโดวยวิบากแห่งกรรมนั้นก็เลยเป็นโรคปักขันทิกาพาด เป็นโรคที่อาเจียนเป็นเลือดท่านพระพุทธเจ้าเนะีท่านอ า, อ, าอาเจียนเป็นเลือดตายอตอนบริณิพานอาเจียนเป็นเลือดตายปักขันทิกาพาดภาษาดิบุตรพระพุทธเจ้าตายด้วยโรคเดียวกันโรคปักขันทิกาพาดอาเจียนเป็นโลหิตเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายเราชื่อว่าโชติปาลได้กล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัตสปะ ในกล่าวกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าพระกัสปะตอนนั้นท่านเป็นคนชื่อว่าโชติปาลในกลาลนั้นว่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าจะมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งไปว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยจะม e, ีโพธิมณฑลภาษาโพธิมณฑลก็หมายความว่าจะไปม e, ีมูมูสัต แจะมูาศาสนานะ่ยโพธิมณฑลมูาศาสนาที่ไหนโพธิยานมันได้อย่างยากยิ่งโพธิจตัสรุคือไม่เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าน่ยได้กล่าวกับพระสุคตพระนามกส ป, ปะนี่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั่นเองในการเรานั้นว่าจะมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนคือไปแย้งท่านนะ่ยบอกเออไม่เชื่อหรอกจะมีาศาสนาพุทธเกิดน่ยโพธิยานท่านได้ยากยิ่งเรื่องตัสรุเป็นโพธิยานไม่เชื่อมันได้ยากเนาะ จะตัดสรุปเป็นโพธิญาณไม่เชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองความหมายนะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราได้ประพฤติกรรมที่ทําได้ยากมากคือทุกก ร, กริราที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอดเวลา6ปีแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้ก็ทำไมได้บรรลุบรรลุธรรมเพราะแต่ว่าจะต้องไปรับวิบากันนั้นเพราะงั้นใน6ปีที่ท่าน อาตอมาเคยพูดนะนี่ถ้าเข้าใจคําอธิบายอันนี้อาตมาเคยพูดว่าหกปีที่พระพุทธเจ้าท่านไปบําเพ็ญนั่นนะไม่ใช่ความจัดสรู้ท่านไปรับวิบากและเป็นเรื่องผิดพลาดทั้งนั้นอาตอมาเคยพูดแล้วนะนี่อาตอมาได้เห็นนันนี้นี่เป็นหลักฐานนียท่านตรัสเองว่าแต่แต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณไปรับวิบากหกปีเนี่ยคือท่านเองถ้าไม่ใช่ทุกกริยาเรื่องเดียวหรอกที่ไป ทำได้ยากมากหลายๆอย่างนะท่านไปทรมานดังน้นอย่างนี้อะไรเยอะแยะไมท่ทุกทุกกิริยาเรานึกถึงตอนที่ท่านอดข้าวใช่ไหมทุกกิริยาแล้วก็อดข้าวนั่งแหงอย่างไม่ใช่อย่างเดียวท่านไปไต่อสู้ทุกอย่างเลยหลายๆต่างๆนานาไปบปําเพ็ญแบบฤาษีสารพัดสารเพทที่เป็นของยากซึ่งเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นนะไปรับบิบากท่านต้องไปรับบิบากอันนั้นต้องไปทุกทรมานต่างๆนานาไปยืนเหนี่ยวขา้าเดียวไปทําอะไรก็ ทุกอย่างที่พวกไก่ทรมานตนก็ทําท่านไปทํามาหมดนะไปกินขี้กินอย่ากินขี้นี่ท่านบรรยายถึงขนาดว่าท่านกินแล้วขี้ตัวเองนี่ขี้ออกมาไม่กินอ <ah ื่นก um ินแต่ขี้ขี้ตัวเองกินแล้วกินเข้าไปมันยังออกมาเป็นขี้อีกเอาขี้ที่เหดือออกมากินอีกกินอจนกระทั่งไม่มีขี้ออกมาอ่กินขี้อะไรอื่นๆก็กินหมดกินขี้โคไม่กินขี้นนดีอะไรกินมาทั้งหมดอย่งนี้เป็นต้นไปทรมานไปทําอะไรต่อะไรที่มันเป็น อาตา ก, กินวัฒนยุกทั้งอย่างหยาบหยาบคลาย ๆ, ๆปเป็นการไปรับวิบากนั่นเองแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บรรลุโพธิญาณแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้เพราะใน6ปีนั้นที่ท่านไปบําเพ็ญอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องไม่ใช่จะไปเอามาเป็นตัวอย่างแต่เขาไม่รู้เขาด้วยวันต้องไปผมบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้า6ปเีเป็นตัวอย่างเปล่า เนีอัอาตมาได้หลักฐานอาตมาเข้าใจและอาตมารู้อาตมาเคยบอกว่าใครไปรปฏิบัติอย่างพระเจ้าหปีนั่นนะเป็นหนทางผิดพระเจา้าท่านตรัสรู้แล้วแล้วท่านก็ค่อยมาตรวจเช็คอีกทีนึงก็โอมรคองแปดท่านตรัสรู้คือมันมีญาณมันมีอะไรอะไรามาแล้วนะมรคองแปดเอาง่ายๆนะอาตมาเป็นพระบริสัทเดี๋ยวนี้อาตมาก็เห็นแล้วว่าสิงเลิรคือมรคองแปดเนี่ยอาตมาสะสมมรคองแปดและจะเรียนรู้มรคองแปดไปให้ลึกซึ้งที่สุดคุณเรื่องว่าคุณรู้มรคองแปดนะนะ ยังไม่ได้ลึกเท่าไรเราก็ต้องแต่แต่มันจะได้ผลเท่าๆที่เราได้มันก็ค่อยเป็นไปมันลึกมันกว้างมันยิ่งใหญ่ทฤษฎีมรรคองคแ์่นนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดศึกษาทฤษฎีหลักเอเสวะมัคโคทางนี้ทางเดียวทฤษฎีนี้ทฤษฎีเดียวทฤษฎีเดียวแต่มันยิ่งใหญ่กว้างขวางลึกซึ้งสุดยอดนะ อาตมาเป็นพระโพธิสัทว์ก็ศึกษาอยู่เนี่ยศึกษาพยายามเผยแพร่ด้วยแล้วก็ศึกษาลึกซึ้งด้วยมันเป็นสิ่งที่เป็นวิบากสั่งสมลงไปในญาณสั่งสมลงไปในญาณของพระโพธิสัตว์ก็ต้องสั่งสมโพธิญาณก็มีญาณ น, นี่แหละญาณอย่างเงี้ยสั่งสมด้วยความจริงไม่ใช่เอาแต่ตัวหนังสือไม่จะเอาแต่ภาษาโวหารอาตมาอภิบรรยายโวหารทําความหมายทําความกระจายอธิบายอุทเทศอะไรต่างๆนาน า, น า, นาให้คุณฟังเนี่ยมันก็เป็นความรอบรู้ เข้าไปหาเนื้อหาที่แท้ของมรรคองแปดว่าเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรดูมันไม่ง่ายนะคนเรียนรู้ง่ายง่ายก็ได้ถคนเรียนรู้ลึกซึ้งเกินไปมากเท่าไรเท่าไรก็ได้อาตมายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาก็รู้แล้วสั่งสมไว้บำเพ็ญไปอีกถ้าอาตมาบำเพ็ญไปเป็นโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ไปจนกระทั่งอาตมาจะตัดสรุ้เป็นพุทธเจ้าในปางสุดท้ายไม่ใช่ไปเรียนรู้อมรรคองแปดตอนนั้นแหละตอนนั้นน่ยปีสุดท้ายนั่นะ อื่นๆไม่ได้เรียนมาเลยอื่นๆเรียนมาผิดมดไปเรียนใจเอาทฤษฎีใหญ่ปีเดียวไม่ใช่นะเรียนมาต้องไม่รู้กี่มหากับ20่สิบอสงไขยแสนมหากรัปสี่สแสนอสงไขยแสนมหากับ80ดสิอสงไขยแสนมหากั บ, กบเรียนมาตั้งเท่าไหร่ทฤษฎีเดียวนักออกแบบทฤษฎีเดียวรู้แล้วไม่ใช่ไม่รู้ รู้แล้วเพปะะัะจันท์ถ้าไม่ได้ตัดสรุปไอตอนนั้นหรอกไม่ได้ตัดสรุปเพราะไม่ได้มีความรู้ไอตอนนั้นฝลก ฟ, กฟุกวินาทีนั้นนั่ก็ได้รก็รับความรู้เนี่ยเหมือนกับบอกว่าพระพาหิยะทารุจิริยะได้ฟังสีประโยคตัดสรุปเป็นพระอาหารหันต์น่ยฟังสีประโยคไอพระพาหิยะนี่เ่ยบอกว่าท่านอ่าขอสั้น อขอพระพุทธเจ้าขอสั้นๆมันจะต้องรีบรู้ให้ได้นะที่จริงท่านมีวิบากพอแล้วท่านพระพาหิยนะนั้นขอสั้นๆพระพุทธเจ้าก็ก็ตรัสสั้นๆให้พระพาหิยะฟังสีประโยชน์พอพระพาหิยะได้ฟังสีประโยชนะ์้วโอโหแจ้งสว่างบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ที่บรรลุเร็วที่สุดในลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้า ตามประวัติมีไว้ยืนยันพระพุทธเจ้าท่ายืนยันว่าเป็นเอกตะทะขะบรรลุเร็วที่สุดของท่านองนี้พระพาหยะธารุจริยะไม่ได้หมายความว่าพระพายะธารุจริยะเนี่ยเพิ่งได้เรียนรู้ตอนนี้แล้วก็สําเร็จไม่ใช่บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากมายที่จะมีสิ่งจริงมาเป็นแต่เพียงสำทับความสุดท้ายเท่านั้นอ๋อไอ้นี่มันมีแล้วรู้แล้วทําได้แล้วด้วยไม่ใช่รู้เฉยมันมีทั้งอุปตโตภาค มีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันที่แข็งแกร่งอินทรพราสมบูุ์บําเพนมาสั่งสมมาแล้วก็มาเติมน้ําหยดสุดท้ายที่จริงน้ํำจะเต็มตุ่มเนี่ยมันมีมาตั้งโอ้โหเหลืออีกนี่เดี๋ยวถ้าเป็นของพระพญาเนี่ยคงไม่ใช่เป็นหยดหรคงจะเป็นเสี้ยวของไอนนงอันหนึ่งมั้งไหลลงไปเต็มเลยปลี่เลยนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีมานะนี่ลักษณะนี้คนเข้าใจผิดเยอะ เพราะงั้พวกคุณเนี่ยจะไปคิดเลยว่าคุณจะเต็มตุ่มเมื่อไร่แล้วคุณจะไปแจ้งสว่างเอาว่าโอ้เวลเต็มเมื่อนั้นเนี่ยคุณต้องไปหาแบบเส้นหาอันนู้นหาอันนี้แบบเส้นแหมไปหาแบบตาบอดขี่ถือปองอคืองงๆไปฟลุกๆนะเจอร่องตาบอดขี่ถึอปองนี่ก็เคยอธิบายหลายทีแต่มากำลังรู้ว่าไงภาษาอีสานจำนวนคำบังเพออีสาน ไอ้ตาบอดนี่มันไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ร่องที่จะขี่มันอยู่ตรงไหนนะมันปวดขี่เ้าก็บอกโอ้ยเฮ้ยหาร่องขี่หน่อยหนึมันไม่เห็นนี่ว่าร่องอยู่ตรงไหนมันโมเมโมเมเอาละมันขี่แตกแล้วเอามาตรงนี้น่ะพออพดีมันตรงกระรูเลยที่จริไม่เห็นนะนะแต่มันพอดีมันตรงกระรูเลยได้ขี่ลงรูได้มันพอหมอพอดีที่จไม่เห็นหรอกโอ้นี่มันบุญนาะนี่ตาบอดขี่ถือปอง มันไม่เห็นหรอกนะแต่มันพอดีพอเหมาะขี้เลยมันสุดจะ ก, กลั้นแล้วเอาเราว่ า, าตรงนี้เราปุ๊บนะพอดีมันตรงพอเหมาะพอดีได้โดยที่เราว่ามันไม่ได้นึกไม่ได้ฝันมันไม่ได้รู้แตม่มันเหมาะได้ไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องฟลุกอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างมาแต่เหตุได้สั่งสมบุญมาแล้วจึงมีผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีดเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปต้องไปคิดว่าโอ้เราจะต้องไปหาไอ้ตรงไหนเนาะต้องหาไอ้ตรงที่จุดที่มันที่จะบรรลุ w, เร็วๆโปกเส็นเนี่ยนะ พวกนี้พวกตะกละพวกเสนเนี่พวกะตะกละเห็นแก่ตัวพวกเอารับเอารับ เ, เอาเร็วพวกนี้ลูกนายทุนพวกลูกนายทุนพวกนี้ไม่ได้เรื่องเพราะงั้นถ้าบอกว่ากุสนใดที่คุณมีอยู่คุณรู้อยู่แล้วกรรมสามสังสมไปสังสมกรรมสามไปเถอะมันจะเต็มเมื่อมันเต็มแม้มันเต็มแล้วไม่รู้ตัวว่าเป็นพระอรหรันต์ชางมันเถอะ มันเป็นพระอาหารหันแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นพระอาหารหันกระชังบเถอให้มันเป็นสั ก, ก่อนเถอ ะ, อะมีไอ้ที่ไม่มันเป็นพระอาหารหันคือเจโตวิมุตต์แล้วเป็นไปได้อย่างดีแล้วแต่ไม่มีตัวรู้ว่าอ๋ออย่างนี้เองแนหะวิมุตต์อย่างนี้เองแหละคือสมบูรณ์อย่างนี้เองแหะคือจบแล้วกิจจบแล้วอย่างนี้เองนะกิเลสหมดเป็นนี่อย่างนี้อะไรอย่างนี้่เนี่ยมันไม่รู้มันไม่เข้าใจตัวสําคัญจะในเชิงไหนมุมไหนเหลี่ยมไหนก็ตาม พอได้รับฟังอัีเท่านี้เมื่อพระพาหยะจักสารุจริยาบอกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน4ประโยคนี้ไม่รู้ว่าทวารไหนบ้างสี่ทวารอาตมาก็ยังไม่ได้เคยทบทวนสักทีนึ่งว่า4ี่ประโยคของพระพาหิยะนิทิวาเนี่ยสักแต่ว่าแต่จําได้นะว่าโบหานี่จําจำได้แต่อย่างนี้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นไอ้นี่แน่อยู่แล้วไอ้เรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยไอ้ตาหูนีสําคัญ ส่วนอีกสองนี่มันอะไรยังไม่แน่เอาละเป็นอันรู้ว่าสี่ประโยคนี่อ๋อแล้วเขาเข้าใจไม่ได้เข้าใจอย่างคุณก็เข้าใจแล้วว่าสักแต่ว่ารู้มันคืออะไรสักแต่ว่าเห็นคืออะไรสักแต่ว่าได้ยินคืออะไรใช่ไหมก็เข้าใจแต่มันไม่ได้เข้าใจอย่างที่คุณเข้าใจหรอกนะพระปายะาท่านเข้าใจแล้วท่านบรรลุปเป็นพระอรหันต์คุณก็เข้าใจแล้วคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างพร ะ, พระปายญาดูสิละมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันยานมันต่างกันยา น, นคนะระดับเลยใช่ไหมยานกันคนราคาเลย โอ้โหยานราคาเท่าไหร่นะี่รุทธพพาหิยะทันได้น่ะยานที่รู้อันนั้นน่ะท่านบอกอ๋อสมมุติว่าอ๋อเนี่ยนะพอได้ฟังสี่ประโยชน์ี่อ๋อไออ๋อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ของพพาหิยะเพราะว่าอ๋อตัวนี้มันบรรลุเป็นพระอรหันต์ของคนอ๋อยังยังไม่อ๋อเหรอไม่เข้าใจเหรอว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่วรู้ไม่เข้าใจเหรอก็อ๋อแล้วอ่ะแ๋อคนนี้ราคาถูกจังเลยมันยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ย อ๋อแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างเนี้อ๋อก็อ๋ออ๋อเออมันก็รู้เหมือนกันมันก็ญาณมันเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเหมือนกันอ๋อหมายบางคนอาจจะอ๋อน้ําตาไหลเลยนัซาบซึ้งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ราคายังไม่แผงเท่าไหร่หรอกฟังเข้าใจนะที่อาจารย์หมายเนี่ยญาณมันตัวรู้นี่มันรู้ต่างกันรู้ลึกซึ้งต่างกันรู้ผิดกันลิบเลยเนื้อหาหรือว่ารู้มันเข้าใจรอบทวนมันเข้าใจก็ท่านรู้อันนี้แล้วนี่ท่านจบนี่อุปโตภาคเขาบิมุติเลย เจตวิมุตต์าต้องมีอยู่แล้วแน่นอนทว่าท่านไม่ต้องปฏิบัติอีกเหลือแต่ว่ามันยังไม่อ๋อยังเงี้ยเหรอพระอรหันต์ว่าท่าอเขาเป็นแล้วอ่ะท่านถึงบรรลุตอนนั้นเท่านั้นเติมปัญญาวิมุตต์อีกส่วนน้อยเดียวถึงบอกว่าไม่ใช่หยดน้ําหรอกแค่มาถึงหยดน้ำแล้วหยวดอะไรแหละอองไออะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เต็มและเนีมันต่างกันเพราะงั้น บางคนอาจจะใช้ลักษณะเจโตปัญญามีมากแล้วแต่เจโตยังไม่ได้ทำทำอีกนิดหนึ่งบางคนทําเจโตไว้แล้วแต่ยังไม่รอบมันยังไม่พ้นวิจิกิจชาติตัวสุดท้ายอันนี้เท่านั้นเองเพอได้ความหมายหรือได้ความรู้ได้อ๋อองี้เท่านั้นก็เป็นเลยได้เลยนะมันก็คนเละมุมคนละ เ, เลี่ยมเท่นั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าคุณจะจุดตรงนี้มันใช้อะไรเป็นตัวกุญแจไขคุณไม่ต้องไปเทนเดนควานหาหรอก แน่ใจแล้วว่าตัวเองมีบุญบา ร, รมีจะบรรลุพระอาหารหันแล้วจะไปหาปัญญาเซนมาเพื่อที่จะบรรลุพวกนี้เนี่ยเสียเวลาชั่วกานาแล้วหลงผิดเป็นอาจารย์เซนเป็นที่เรียกควานหาเซนไม่ต้องควานหาหรอกมันจะเป็นบุญบา ร, รมีของมันเองจะพบเองถึงวาระเวลานี่ไปควานหาแต่ปัญญาเซนยังกับตัวเองเนี่พร้อมแล้วหรือไ อ, อ้กุญแจไขในข้อใจอ๋อตัวเดียวเนี่ยราคาแพนตัวเดียวนี่ได้เลยไม่จริงนะโกหกพวกนี้พวกเนี่ยหลงงมงายกันเยอะ อไปอ่านหนังสือเซ็นไปหาคิดขอเซ็นเหมือนพระอะไรล่ะพระอะไรที่ในตํารานิยายเซ็นประชาดกเซ็นเขาเนี่ยใครต่อใครเว๋ยว้หลังมัง่งออวงโปมัง่งแล้วใครต่อใครมั่งเนี่ยแม้จะไปพยายามไปหาคิดสโลกคิดอะไรเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละเขาเรียก โกอันไปขากโกอันไปหาสโลไปหาปิิศนาทำอะไรในเพื่อจิตยมข่าน้อยยังก็ตัวเองมีบุญบา ร, รมีพร้อมแล้วไม่ใช่แล้วนะไอ้ยังงั้นเป็นลักษณะของปัญญาวิมุติเติมลงไปเมื่อผู้นั้นมีบุญบา ร, รมีมีเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์อันมากพอแล้วเหลือปัญญาหรือส่วนไขอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาอย่างนั้นรอ ม, มันจะได้เองเจอเองทำไปเถอะสุกุศนต่งตงตงตางๆแหละนะ เราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วฟังจำนวนเข้าใจไหมเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจำนวนสั้นดีเหลือเกินนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเออเนี่ยไอ้กรรมเก่าบุพกรรมกรรมเก่าเก่ากรรมก่อนก่อนที่ได้ทํามาแล้วแล้วมันก็เห็นผลมันก็เห็นวิบาบมันก็เห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยทุกข์บ้างขนาดเป็นพระพุทธเจ้านี่นะท่านยังบอกว่าเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้ว เว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงเนี่ยท่าระลึกชาติขึ้นมาเนี่ยทาระลึกตอนที่ไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเท่านระลึกได้มันหลายแสนหลายาสัง อ, อะไรสังอะไรเรียกสังสังสังวิวัตตะกับเยอะแย ะ, ยะนะระลึกแล้ถ้ามีพวกนี้มันก็เลยเห็ น, นบุพบกรรมต่างๆนี่มันเป็นของจริงมันให้โทษให้ภยัยมันให้ทุกข์ให้ร้อนมากหรือน้อยเยอะแย ะ, ยะมากมายนะ ท่านเพราะว่าเมื่อรู้จักบุพกรรมตักเตือนแล้วนี่มันตักเตือนท่านมันสอนท่านมันให้ท่านเข้าใจความจริงซึ่งเราเระลึกชาติอย่างนั้นไม่ได้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ถ้าเราเชื่อว่ากรรมนั้นเป็นผลเป็นวิบากจริงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณากุศลให้แท้แล้วพยายามสั่งสมไปทุกวินาทีมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือความไม่ประมาทอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้รับผล เพราะฉะนั้นผลที่พวกเราก็รู้ดูกันอยู่บ้างโอ้โหนี่ดูสิเราทาผลบาปแม้ปัจจุบันนี้มันก็พาให้เราเองได้รับวิบากอะไรแต่ใดไม่เขาทาอของก่อนของเก่าผสมปุโลปุเลมันไม่ใช่นิดเดียวหรอกมันมีของเก่าทั้งทุกคนน่ะมันผสมประสานกันมาวันเราจะบอกว่าเนี่ยคุณสแสวงบอกว่าไปยิงนกกากตัวเดียวก็เลยได้รับวิบากถูกกับระเบิดไหมไม่ใช่อันเดียวหรอกมันผสมกันมันร่วมกัน มันมีกรรมเก่ามันมีวิบากเก่าอะไรตระไรต่างๆนานาผสมผสมอะไรตระไรอีกส่งผลอยู่ซึ่งทุกคนมีทุกคนแม่อัตมาแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นมีวิบากเก่าอยู่ตงนั้นเป็นอกุศลด้วยนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะเราเวลาเว้นอยากให้ไปเติมเสีเยประเมันเจอมันหยดน้ําจะเต็มนี่นะแทนที่จะเต็มเป็นพระอรหรันต์แต่เต็มถูกกลับระเบิดน ะ, ะแทนที่จะเต็มเป็นพระอรหันต์มันจะเต็มถูกกลับระเบิดด้วยว่าจะเต็ม เป็นยังไงลราเกิดมาอย่างคุณบุญเรือนะระวังเลยนะอันนี้ยังดีนะกุศลดีนะได้มาพบพระอย่างนี้นะคือไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่มีบุญหรอกมีบุญแต่ว่ามันมีวิบากมันมีบุญแต่มันมีอกุศลววิบากมันโอ้รูเกิดมาดี่พ่อแม่ก็ไม่รักไม่อะไรแลดิมือก็ไม่มีนิ้วไอ้คนมีนิ้วเยมันไม่ค่อยเอาฐานนี่มันน่าจะเอาฐานมาเผาดิ้วให้หมดอ่า นิ้วก่อมีนิ้วเท้านิ้วมืออะไรเต็มเลยซ้ําไปอัตมา ก, ก็ยังนึกอยู่เลยนะบุเร<ช>ือนนี่เขาถักในในนันขายปีปีนี้เนี่ยปีใหม่เขาถักขายได้ตั้งหลายร้อยบาทนะไ อ, ไอกระเป๋าเป๋าเศษผ้าเศษอะนั่นนี่เพราะอยู่ที่โรงทองเขาก็มีเศษผ้าเศษไหมเศษใต้อะไรมาเขาก็มารวมทำเนี่ยก็ถักเป็นกระเป๋าถักอขายได้ตังหลายร้อยบาทนะนะ ในพันกว่าเลยนะดังหลายอันขายอันละเท่าไหร่รน่าเสียคานเท่าไหร่อัละยี่สิบาทก็ได้ตั้งพันกว่าบาทดังหลายอันทําพวกเราอยู่ที่ปฐมโซนนะบอกมือดีสิบนิ้วนะอาจจะมีบางคนสิบเอ็ดก็ได้มีนิ้วมีอะไรนะให้ถักนะบอกที่ทาเรียนกระ บ, บุนเรือนเขาถักมั่งถักไม่ได้ถักไม่เป็นน่ะแม่เอาฐานเผานิ้วซะไม่เอาฐาน แต่เอาเท่นี่มันเรื่องวิบากเห็นไหมจะมีนิ้วหรือไม่มีนิ้วจะมีอะไรมาอยู่ที่คนเห็นไเคยเห็นหนังญี่ปุ่นไม่ใช่แบบมีนิ้วนะไม่มีแขนด้วยผู้หญิงเคยดูไหมบีดีโอไม่มีมีแต่ฝีตีนไม่มีฝีมือแต่ฝีตีนนั้นโอโหเหลือร้ายเลยนะแมอาบน้ําอาบท่าให้ลูกแต่มีสามีนะมีลูกไม่เต้าอาบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตา เวลาสามีไม่สบายก็แหมเช็ดหน้าเช็ดอับตีนจับผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาทำอะไรอะไรเรียบร้อย เ, อเรียบร้อยทำกับข้มกับข้าวมาเวลานั่งกินข้าวกับแขกเรือในเพื่อนฝูงก็แกก็นั่งแกก็เอาตีนขึ้นจับตะเกียบกินกับเพื่อนกับฝูงเลยเนี่ยแล้วอาหารได้กินฝีตีนตแกทั้งนั้นเลยอาหารที่เลี้ยงแขกฝีตีนแกทั้งนั้ น, นก็แกมี2ตีนเท่านั้นแกไม่มีมือเลยมือด้วยสอข้างใครได้ดูวีดีโอ น, นั้นนะเขาถ่ายไม่ให้ดูเลยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไม่ใช่ว่ามุกเรื่อง ก็แกทําไม่ดูเลยแล้วก็นั่งให้ดูทําไม่ดูเลยสองตีนทั้งนั้นทุกอย่างเลยเพราะแกไม่มีมืออะแทงแกด้วยทั้งสองข้างไอ้คนมีมือก็ครบไอ้ตีนก็ครบอะไรก็ครบแต่ไม่เอาฐานนี่สิมันน่าอเป็นตาเลือใจนะภาษาอีสานไม่รู้จะแปลว่าเป็นภาษาผักกลางว่างไงเป็นตาเลือใจแทนเนี้ยมันแหมมันน่าจะมันอฮะแปลว่างไงอักรษรสาสต์ มันไม่ได้ดังใจมันแม่ไมมันอึดอัดอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเลยมันเป็นตะเหลือใจเนี่ยมันยังไงไม่รู้นะเอจะแปลว่าเป็นภาษาภาคกลางสนุนภาคกลางว่ายังไงมันมันน่าเดีทําไมมันไม่ได้ดังนี้นะมันไม่ได้ดังที่ควรจะเป็นนะแมมันอึดอัดอยู่ในใจเนี่ยขยายความนะเขาบอกเป็นตะเหลือใจเนี่ยโอ้โหแม่ใต้มาแปลอีสานให้เขาด้วยโอ้ อใต้เอาแปลจำนวนภาษาอีสานให้เขาด้วยอหรอเอาลราก็ต่อว่ า, าเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงเมื่อมันรู้สึกพอทบทวนถึงกรรมเก่าแล้วเนี่เห็นพอนี้ก็เท่านี้ท่านก็รู้สึก ท, ท่านรู้สึกมากกว่านี้นะเพราะว่าท่านวัยก็ท่านเห็นแขกแขคแกคนแก่คนป่วยคนเจ็บท่านก็ว้าอย่างงี้ไม่เอาแล้วโลกพอเราได้เห็นคนแก่มันจะเท่าไหร่เนคนเจ็บมัเท่าไหร่ยังวิ่งใส่มันอยู่นะ ท่านก็เลยไม่มีความเศร้าโศกไม่ขับแขนเป็นผู้มีเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักนิพพานพระชินเจ้าทรงบรรลุกำลังแห่งอภินยาทั้งปวงแล้วทรงพยากรโดยทรงหวังประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ที่สัต์ใหญ่อโนดาด้วยประการฉนีแล น, นี่ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องบุพกรรมต่างๆก็ยังไม่ขยายความทีอาตมาจะ อธิบายแล้วจะอ่านอะไรอะไรออกไปแล้วจะอธิบายความไปแล้วกเ็เนื้อเรื่องพวกนี้จะยกมาประกอบนี่ก็เอาของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เขากระดวกรวมไว้ว่าท่านตรัสอะไรบ้างถึงบุพกรรมของท่านถึงกรรมเก่าของท่านแล้วมันก็ม่มีบาส่งผลแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีกุศลมีอกุศลกุศลไม่ต้องห่วงกุศลหรืยบงังงท่านได้ที่ท่านได้เกิดมาเป็นพระเจ้าลูกเจ้าเป็นเจ้าชายมีทรัพย์สินคารมีรูปร่างหน้าตาถือว่าหลอ่อเหลาแข็งแรง มีพลังไม่อ่อนแอสมบูรณ์ทุกอย่างามีมเหสีมีสาวสันกำนันในก็สมัยโบราณเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกเจ้าจะเปมีปัญหาอะไรแล้วเขาก็ไม่ถือส า, อาเขาก็ให้สนมกำนันเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เอามาประเดประดังให้ท่านแต่ท่านไม่เกี่ยวท่านเกี่ยวพระ น, นางพิมพาคนเดียวนี่เป็นวิบากของท่านเป็นกุศลหรวิบาก ถ้ามันมีจิตที่มันมากไปด้วยราคามันก็เกี่ยวเขายุ่งไปตามเรื่องใช่ไหมนะนี่ท่านก็ไม่อะท่านก็ยังงั้นนะ่ะแม้ย่างงั้นก็เป็นฝีมือที่แย่แต่งงานอายุ16กไปมีลูกอายุยี่สบเก้านะเนีเป็นฝีมือที่แย่มากใช่ไหมแต่ถือว่าดีถือว่าเป็นทางธรรมแล้วถือว่าดีทั้งโลกถือว่าแย่ใช่ไหมนี่เป็นต้นนี่อะไรต่างๆมันกลับกันไปหมดนะนี่เป็นวิบากกุศลวิบากของท่านมีมากมันก็มาให้ท่านอาศัยเป็นกรรมปฏิสระโน อกุศลวิบากมันก็ยังตามมามันไม่ได้อยากอาศัยเราแต่คุณต้องอาศัยคุณก็ต้องเป็นอยู่นะต้องเป็นอยู่มันต้องมาถึงเท่าที่มันยังเหลือส่วนของวิบากตามมาทันนะสิ่งที่มันเป็นวิบากที่ตามมาทันมันไม่ได้หมดไปแต่ว่ามันตามมาตามกาละตามมาตามกาลละตรอจากนั้นผู้ใดมีกุศลวิบากมากๆๆๆๆมากมันจะพาวิ่งนี ความทุกร้อนได้มากได้มากไม่ได้มันหมดแต่มันมันวิ่งนีได้มากอันนี้ลึกซึ้งอันนี้าศาสนาอื่นตะมาวาอธิบายไม่ได้นอกจากอธิบายไม่ได้แล้วอธิบายว่ามันลบล้างได้ด้วยซ้ำอย่างาศาสนาคริสต์มาถึงกัาพวกบาทหลวงรนี่ล้างกรรมได้เลยนะาศาสนาสายศาสตร์มาถึงก็มีอาจารย์เลยมากเนี่ย เ, เจ้ากรรมนายเวรนี่จะปลดให้แน่ต่อรองเลยไม่รู้ไปติดสิ้นบนกับเจ้ากรรมนายเวรได้ไงนะเลิกล้างกรรมไม่ได้นั่นเขาก็เก่งไปโนู่นเลยซึ่งมรรตเจ้าเราไม่เหมือนอท่านตัดสรู้ไม่เหมือนนะท่านก็เป็นอย่างที่ว่านั้นแต่ท่านเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้แม้ขนาดนี่มันเป็นความมันเป็นเรื่องที่น่าน่าทึ่งนะว่าโอ้ท่านยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงนะ ถ, ถ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าถ้ามันมีวิบากอะไรแล้วท่านจะไม่อะไรแล้วท่านก็ว่าได้ใช่ไหมใครจะไปว่าอะไรท่านใครจะไปเจาะอะไรท่านไป ม, มากมายท่านเอามาเล็กๆน้อยนอท่านก็เอามาอธิบายฟังในวันนี้เห็นไหมเศวตวิบากของอกุศลของความไม่ดีนี่มันตามมาขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ละเวน้นมันยิ่งเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าเนี่ยท่านยอมรับว่าท่านเคยมีอกุศลวิบากอากุศลวิบากยังตามมาถึงป่านชนี้บำเพ็ญมามากมายสร้างกุศลให้มันมากกว่านี้ตั้งเท่าไรเท่าไร่มันก็ไม่ใช่อย่างง่ายๆนะเพราะอย่ า, ายนาณน้อ อย่าประมาทไอ้ที่เป็นอกุศลเล็กๆน้ выше, นนนอยๆอะไรแต่าทาได้ถึงวาระเวลาที่เราควรจะทํานอกจากบางอย่างคุณทนไม่ได้อันนี้น leave, เราก็รู้ว่ามันเป็นอกุศลอยู่บ้างแต่ว่ามันชีวิตเราจะมันมันยังไม่แข็งแรงกว่านี้มันจะต้องเป็นคุณก็ต้องรู้ดว้วยวายอมแต่ถ้าคุณรู้มันต้องออกได้แล้วล่ะอคุศลอันนี้เรือกขั้นตอนนี้ต้องเหนือขึ้นไปได้กว่านี้สิ่งอย่างนี้ยังต่ําอยู่เราจะสูงกว่า น, นี้ได้ก็ต้องดูตามอินทรีย์พระดูตามบุญบารมีของตนเมื่อได้อย่าไป ไปแรงเกินการนะตรวจให้ประหมาะพอดีอันนี้แหะสัมมาตัวนี้เราอ่านยากรู้ตนยากประมาณตนตรงนี้อะยากจังแต่ยากยังไงุณก็ต้องดูของตัวเองแต่ต้องประมาณตนเอาให้รู้ว่าเรามีผลดีนะเหนือขึ้นได้นี้มันจะต้องตั้งตนอยู่ในความลําบากต้องฝื้นต้องสู้ตราบใดก็ต้องฝื้นต้องมีฝืนแม่อตมาก็ยังมีตัวฝืนนะคุณอย่างน้อยที่สุดก็ฝืน มันต้องสอนพวกคุณนะไม่สอนแล้วมันจะทํำยังไงเราก็ตาดําๆดูที่เนี่ยมันต้องฝืนนะคุณไม่ใช่ไม่ฝืนนะมันต้องฝืนแต่มันฝืนไม่ยากถ้าเผื่อว่าเราทําได้เราชํานาญทําได้อย่างมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาแล้วมันจะเป็นอินทรีย์พละของเรามันจะเป็นสิ่งที่เป็นของเรานะแต่มันฝืนนะมันฝืนมันไม่ได้สบายอะไรๆอย่างมันไม่ได้คล่องแคล่วมันไม่ได้ง่ายยิ่งไม่ชํานาญยิ่งไม่เกิดอินทรีย์พละอย่างสมบูรณ์มันยิ่งยาก มันก็จะกลายไปเป็นแบบฤษีส <innovations> <el vis> ิอยู่เฉยดี่กาสบมอใครไม่รู้อ่ะโง่เลยอยู่เฉยเฉยมันก็ดีกว่าออกแรงอยู่เฉยเฉยมันก็ดีออกไปทําน้นทํานี่ยังง้นอย่างนี้มันแน่นอนดีมันเมื่อยน้อยกว่าแต่อยู่เฉยเฉยบางทีมก็เมื่อยเหมือนกันนะนอนมากก็ยังเมื่อยเลยอย่าว่าแต่นั่งมากเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขาก็รู้ว่าถึงยังไงเราก็มัไม่เป็นไรมันเมื่อยก็เดินก็หล ไอโน่นนี้นี่หน่อยมันก็เบาแล้วแต่แค่ไปทํางานไปแบกไปยกไปโน่นไปนี่ก็หนักมากกว่าแล้วมันไม่อยาก อ, าออกอย่างนั้นไม่มันก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่าบอกให้เห็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมเดี๋ยววันนี้จะเทศนะสัพปะปัสสะาการนังกุสลสู้ปะสัมปทาเนี่ยจะต้องเทศให้เห็นชัดเจนเลยว่าไม่ได้ไปตัดทิ้งนะพระอริยะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ ตัดสรูรแล้วนี่ไม่ใช่ตัดทิ้งไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่โลกุต ร, ร, ร, ร, ระสัพพะปาปัสสะกระนังกุศลสุปัสพะปทาก็เป็นโลกุตระโดยความหมายเดี๋ยวเย็นนี้จะเทศไม่ใช่ว่าเปเจาะแต่ก็จิตบริสุทธิ์สะอาดนั่นแหะคือโลกุตระไม่ใช่ไอ้นั้นมันมันถึงทําโลกุตระไม่สําเร็จเพราะมันต้องประกอบไปด้วยขันท่าต้องประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องประกอบไปด้วยผัสสะทั้งหก ต้องประกอบไปได้วยองค์ประกอบกายโนอกกายโายในสิ่งที่ประชุมทั้งดินน้ำไฟลมคนมนุษย์สัตว์ทุกอย่างเมื่อสัมผัสกันแล้วเมื่อสัมพันธ์กันแล้วเมื่ออะไรกันแล้วไม่เกิดสภาพกิเลสไม่เกิดสภาพลำบากเป็นสภาพที่เป็นไปได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากจริงๆนั่นแหละจิตบริสุทธิ์ของสายจิตมีพลังจิตมีอำนาจจิตอยู่เนื้ อ, อเนื้อ รูปเนื้อดินน้ำไฟลมเนื้อรูปรดกินเสียงสััดเนื้อลาบยอดเนื้อสุกโลกโลกเนื้อจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไม่จริงพิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นเอเฮปัสซิโ ก, โกไม่เป็นอ่าที่กว่าจะเทศคืนนี้ก็เอามาเทศซะก่อนตอนนี้เยอะแล้วช่ไม่เป็นไรวางหลักฐานไว้ก่อนแล้วเย็นนี้ค่อยต่อนะอันนี้ท่านนิล่หลอกที่อาตมาพูดไว ที่พุทธสถานสาลีอโศกเอามาให้มาเป็นคำพูดเป็นคำพูดของอาตมานะเรื่องกรรมเนี่ยบอกว่า <School> ผู้ใดได้ศึกษาธรรมะด้วยสมาธิธได้พิสูจน์ธรรมะ <sm all _ Silva> ด้วยมรรคองแปดได้ประพฤตินจนถึงภาวนาใหม่มีผลแก่ตนแก่ตนจนสามารถแจ้งในธรรมในสัจธรรมพอสมควรแล้วรู้นรกรู้สวรรค์รู้บาป รู้บุญเชื่อในกรรมผู้นั้นผู้นั้นย่อมสังวรระวังในกรรมนั้นๆเพราะกรรมเป็นอันธรรมกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นความจริรงผู้ใ ด, ดทำกรรมแม้น้อยแม้นิดย่อมเป็นของจริงนรกสวรรค์บาปบุญขึ้นอยู่ที่กรรม ผู้ทำกรรมเป็นบาปเป็นนรกผู้ทำกรรมเป็นบุญย่อมเป็นสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์เป็นจริงผู้ใดทำก็เป็นทายาทของกรรมทำชั่วย่อมได้บาปได้นรกทำดีย่อมได้บุญได้สวรรค์ผู้ซึ่งกระทำจริงแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีแล้วผู้ระวังดีแล้ว ย่อมละบาปละนรกผู้ระวังให้จริงสังวรด้วยสติปัฏฐานสี่ด้วยโพชทชงเจ็ดด้วยโพธิปักเคยียทำราม37อย่างยิ่งแยบคายขึ้นเท่าไรเท่าไรสวรรย่อมเป็นของผู้นั้นผู้นั้นจริงเราเป็นทายาทของกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่ เราจะได้ดีได้ชั่วเราจะตกนรกจะถึงสวรรค์ถึงนิพพานก็ด้วยกรรมดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสโพชฌงเจมรกองค์8อย่างที่เราได้เข้าใจกันแล้วจึงเป็นการสั่งสมกรรมเป็นการกระทำด้วยความเพียรของแต่ละบุคคลที่จะทำสวรรค์หรือทำนรกหรือทำนิพพาน ให้แก่ตนแก่ตนเองเป็นกรรมสกตาของตนของตนจริงจริง